เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ครับน่าสนใจครับเรื่องนี้คุณบอยมาพร้อมกับเรื่องที่น่ากลัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครครับเป็นอีกประสบการณ์ที่เก็บตกมาจากช่วงที่รับงานฉีดปลวกคุณบอยตั้งชื่อเรื่องนี้มาว่าพระยามวิการครับแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วเรามาปิดท้ายเดอะโกสเลเ i ียค่าคืนนี้ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณบอย สวัสดีครับเะฮะขอพระคุณมากๆก่อนอื่นเลยขอกล่าวคุว่าขอพระคุณมากๆนะครับที่ทำเพจขึ้นมาเป็นเดอะโก้แฟมิลขอพระคุณจริงฮะโอ้คับผมเออนะครับเห็นคนอยากเข้ากันเยอะเลยนะครับถ้าเพจเสร็จอะไรเมื่อไหร่นี่อย่าลืมมาแจ้งกันด้วยนะได้ครับได้ครับเพราะยังไงผมต้องแจ้งทางองค์กรก่อนได้คัะฝากขอบคุณคุณบอยฝากขอบคุณคุณเป้ด้วย ครผมผมยังรอคุณเป้อยู่นะ <AS> <ś>, ร, รอคุณเป้มาแล้วคนรอเยอะมากแต่เข้าใจเขาแหละเดี๋ยวรอให้คุณเป้สะดวกก่อนครับนะมาเรามาคุยกันถึงเรื่องนี้ดีกว่าคุณบอยน่าสนใจครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเก็บตกตอนที่ตอนนั้นเนี่ยที่ทํางานเกี่ยวกับการกำจัดปลวกฉีดปลวกใช่ครับใชใช่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงเทพเลย ใช่ครับชื่อของโรงพยาบาลแล้วก็ที่ตั้งเราไม่พูดถึงเลยนะเราไม่พูดถึงแน่นอนครับก<อ>็ต้องพูดถึงนี้ทุกคนจะรู้หมดเลยโอ้นะครับแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจครับเรื่องของพระยามวิการเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณบอยเชิญฮะเออเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องสั้นๆหน่อยนะครั บ, ค, รบคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบเร็วมากมแต่มันก็มันก็สร้างความน่ากลัวแล้วก็สร้างความแบบน่าสงสัยว่า ม, มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะคือมันเกิดได้ยังไงครับ นะฮะ mm hmm. อ่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประเอมว่าผมกับเพื่อนนะโชคดีนะครับ mm hmm. ได้ได้งานของทางโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นคนทางรู้จักกันแล้วเขาติดต่อกับทางทางอ่าทางอะฝ่ายอาคารและฝ่ายอาคารนะเขามารู้จักกับกับคนเนี้ยที่มาติดต่อให้ผมมาเข้าไปทํางานรนั้นครับบ mm ัง hmm. เอิญว่ามันเป็นตึกเก่านะครับและตึกเก่าเนี่ยคือมันมีอยู่ชั้นหนึ่งซึ่งเขาต้องการเรียนเวกใหม่ ทำทาวสีใหม่วางระบบไฟใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นแล้วชั้นนั้นน่ะก็จะไม่มีไฟนะครับอืมแล้วก็จะมีของระเกะระกะอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกอุปกรณ์ทางแพทย์หรืออะไรต่างๆมานานก็จะยังจะถูกทิ้งไว้บางส่วนเท่านั้นนเองวันนั้นได้รับการติดต่อไปเริ่มงานก็คือประมาณตอนปีปีสองปีสามอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมเข้าไปทําเนี่ยไม่ได้หมายว่าเข้าไปครั้งเดียวแล้วเจอเลยือเข้าไปทั้งหมดประมาณสามครั้งด้วยกันมาเจอเอา เอาที่แบบแจ็คทองเลยคือครั้งที่สี่ครั้งที่สี่เนี่ยก็เข้าไปนะครับประมาณตอนนั้นผมจําได้ว่าขึ้นไปประมาณตีสองขึ้นนะฮะคนที่ดูแลอาคารเนี่ยเขามาส่งประมาณชั้นสามแล้วก็าบอกว่าพี่ขึ้นไปกันเองเลยนะอมผมไม่ขึ้นละโอเคเราก็รู้างานกันแล้วเพราะว่าตอนแรกเขาว่าพาขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้จิตอะไรครับก็ขึ้นไป ก็ขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จเนี่ยคือพอขึ้นบันไดพักแล้วก็ขึ้นบันไดไปชั้นอวามมืดมันก็เข้ามาอนะฮะผมกับเพื่อนเนี่ยก็คือทั้งจีบบวกลองคนละทางแล้วก็แน่นอนครับขาไปได้เลยคือไฟฉายแต่คุณรานเพราะว่าของชั้นมันไม่มีไฟจริงๆนะฮะทางลุงของชั้นเนี่ยมันจะมีแค่สองทางก็คือหนึ่งทางบันไดนะครับกับทางลิฟต์ซึ่งแน่นอนว่าไฟมันยังไม่ถึงชั้นนั้นลิฟต์คงจะใช้งานได้ได้ จำเป็นจะต้องเดินลงมาดได้ไอีกชั้นหนึ่งเพื่ใช้งานลิฟต์หรือลงมาได้ลงไปแต่กับทีนี้ผมก็ขึ้นไปกับเพื่อนใช้สายสายแล้วก็กำลังจะแยกกันแบบซ้ายขวาบังเอิญว่าได้ยินเสียงเลียแ ว, ว่าว่าได้ยินเสียงแรียววเป็นเสียงผู้ชายคนหนึ่งที่แบบเสียงแ่แบอผลไกลๆนะครับเสียง แ, แบบไกลๆว่าผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้เสี่ยงแบบผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้อยู่ อยู่ในความมืดครับผมกับเพื่อนก็ยืนอึ่นกันนั่เสียงอะไรก็เลยหันไปทางต้นเสียงนะครับที่แส้งคืภาพต่างนะครับคือผมขึ้นบันไดนะครับพอขึ้นบันไดสุดถึงชั้นที่เรากำลังทำงานมันจะแยกทางซ้ายและขวานะครั บ, รบทางเดินของของทางชั้นเนี่ยซึ่งซึ่งเดินไปหน่อยอมันเดินไปทางขวาหน่อยมันจะเป็นตู้เป็นตู้วอดที่ให้พวกพยาบาลพัก หืออะไรอย่างเงี้ยครับสสหลักการตรงนั้นเสียงมันมาจากทางนั้นออืเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆนะครับเบาๆพผมหยุดทางผมหยุดผมหยุอผมผู้ผมแลเพื่อนเนี่ยก็ด้วยความสงสัยแต่กลัวเหมือนกันมันอยู่ในความมืดครับก็เลยฉายไฟออกไปทางด้านขวามือและพยายามเดินเดินเข้าไปอ่ะค่อยๆเดินเข้าไปทำมาสองสองครั้งและไม่เจอมาเจอครั้งนี้สิ่งอะไรแปลกๆในขณะที่ฉายไฟไปนะครับ ก็ได้ยินเสียงคนเดินออกมาจากความมืดตรงนั้นอืออะฮะเป็นคือพื้นเนี่ยอย่างที่บอกคือเขาซีนเวทใหม่ฉะนั้นมันก็จะมีเศษเศษไม้เศษอะไรเศษนี่นั่นนะฮะเวลาคนเดินมันจะมีเสียงดังกรอปแปกแป๊ดกรอบแฉะนะครับผมกเพื่อนก็ฉายไฟออกไปพ บ, พบว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นพระรูปหนึ่นอเดินออกมาจากความมืดอเป็นพระรูปหนึ่งนะพี่แล้วเอท่านไม่ได้ ไม่ได้สะพายหรือถืออะไรมาคือเดินมาตัวกระเป๋าเดินสัมรวมเดินมาผมก็ตกใจกันอยู่ทีด่ดีวิรับอยู่ในออยู่ในถังว อ, อ, อ, อดปืดปเอมาได้ยังไงครับผมก็สงสัยผมผมไม่ยกมือไหว้ทั้งคู่เลยตกใจตกใจถังเนี่ยหลนหล่นเลยยกมือไหว้แล้วบอกนำมาสักนมาสการครับอเออหลวงพี่มาตรงนี้ได้ยังไงอืมอเอหลวง พาลูกงั้นเขาก็เดินค่อยๆเดินนะครับค่อยเดินเหมือนจะมีอายุแล้วแหละค่อยเดินแล้วก็เดินมาแล้วก็หยุดออืหยุดระหว่างเราแ บ, บกไกลแต่ไม่ไกลามากนะครับประมาณเมตร น, นประกมหน้าเขาไม่ได้มองหน้าพวกเราเลยนะครับแล้วก็ยิ้มๆนะท่านบอกว่าท่านนมารับคนอท่านมารับคนผมกับเพื่อนเออมารับไข่มารับคน มารับคนในชั้นนี้เหรอชั้นนี้มันไม่มีคนชั้นนี้มันเอลเวสซึ่งมันไม่มีคนแล้วในแะครับขึ้นผมก็ถามออท่านครับแล้วคนที่ท่านารับนะไหนอะ้ะไคร่นั่นท่านเน่ยจุดก้มหน้าอยู่แต่อันน้มองหน้าแล้วก็บอกว่าโยมหันไ่ดูสิเขา อ, อยู่ข้างหลัอาต ม, มาผมก็เพื่อนก็ ค่อยๆยื่นหัวเข้าไปคือตอนนั้นไม่มีสติที่จะเอาไฟฉายส่องเข้าไปดูแต่ยื่นหัวไปปรากฏมันก็ไม่เห็นนะพี่เพราะมันมืสดสจุกไหมครับครนะฮะแต่พอมีสติขึ้นมาเอาไฟฉายทำคู่ค่อยๆสาดสิ่งปนพร่องสิ่งที่เห็นก็คือมันเป็นทางไกลๆนะพี่แล้วมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งยืนตรงความมืดตรงบุมจุกเลยเป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วเสียงดังสะตามมาผมอยู่ต อืในขณะที่เขาบอกผมอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เดินออกมาทีพอเขาเดินออกมาเสร็จผลก็เพื่อนก็ตกใจกันตกใจ ก, ก็วิ่งเลยครันะฮะวิ่งออกจากพฟาร์มมาแล้วก็วิ่งลงบันไดคือไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้คืออะไรไม่รู้ตกใจอะไร ก, ก็รีบวิ่งลงมาลงมาถึงชั้นประมาณชั้นชั้นน่ะชั้นสามถ้าผจำไม่ผิดนะพอชั้นสามเสร็จเหนื่อยก็หยุดพักกันออืหยุดพักสันก็มองหน้ากันแล้วก็บอกว่าเอา้า เฮ้ยตายละลืมพระรูปนั้นเลยก็เลยตั้งสติแล้วรีบขึ้นไปทางหนึง่งขึ้นไปชั้นนะั้นแะอับชั้นที่เราเจอพระปรากฏว่าก็ไม่เจอพระแล้วพระก็หายไปไม่มีเหลือแค่ทางชีดปู่ของผมอตอนนั้นเองก็เลยเกิดควา ม, มงง ทำอะไรไม่ถูกก็เลยเก็บถังเก็บอะไรแล้วก็กลับเลยเออืไม่ได้จะสนใจไม่ได้อะไรจะถามอะไรเลยแล้วก็กลับไปเลยนั่นเองจะบอ ก, กว่าวันนี้ก็ยังเป็นอีสนะอยู่แล้วจะบอกว่าเราเราไม่หาข้อมูลเรื่องนี้เลยไม่เล่าให้กับอ่าคนที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนี้ฟังคนที่จ้างเรา ครับผมไม่คุยไม่บอกผมเล่าพี่ผมเล่าให้กับไปไปอาคารในรักบอะว่าผมเจอแบบเนี้ยผมเจอพาร์สลูปหนึ่งเขามารับอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันมีพาร์ที่ไหนมีด้วยเหรอมีมั้งอ่าเขาก็ไม่รู้เรื่องอย่างครับไม่มีใครรู้เรื่องเรื่องพาร์เรื่องอะไรเลยออออื่าแต่มีแต่มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะครับที่เขารักษาการอาคารเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าหรือมันอาจจะเป็นไปได้ตรงที่ว่าคือโรงพยาบาลอรัพี่ครับ มันมีเรื่องพวกนี้เกิดแก่เด็กตาย อ, อยู่ผกวันทุงเวลาฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องของกฏิที่จะมีวิญญาณที่อันนี้เขาพูดนะครับ<อ>เขาบอกว่าอาจจะมีวิญญาณที่ค้างอยู่ค้างอยู่ไม่ได้ไปไหน<อ>หไม่ได้เชิญแบบถูกวิธีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังจะอยู่ตรงนั้นแต่ที่น่าแปลกก็คือพระท่านบอกว่าอาตมามารับคนใช่ครับ ม, ม, ม, มันมันมันมันแปลความหมายไปในทางไหนได้บอกอาตมาวรมารับคนรับยังไงรับอะไรใช่ไหม <c oughs> เออ<ช>มันเป็นมันเป็นคําพูดที่แบบเฮ้ยเราจะตีความหมายไปยังไงได้วะว่านะท่านมารับใครคือท่านไม่ใช่โยมทูตถูกป่ะใช่ไม่ใช่เลยทเออถ้าไม่ใช่โยมาบาลแต่ท่านเป็นพระกูพี่คื อ, เ, อ, อเป็นพระเลยเอ่ะเป็นเป็นคนอ่ะเป็นคนที่เป็นพระ แจ็ปชัดเลยครับผมกําลังยืนคุยกับท่านแล้วท่านแบบคือมารับคนในที่นี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงวิญญาณพูดถึงผีเลยนะใช่ครับถูกไหมเพราะว่าสิ่งที่ตัวของคุณบอยและเพื่อนเห็นเนี่ยเป็นลักษณะของผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไกลๆตรงโน้นแล้วก็บอกว่าผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินมาพร้อมกับพูดด้วยผมอยู่ตรงนี้เฮ้ยเป็นใครใครที่อยู่เป็นผมผมก็ไม่อยู่ตรงนั้นนะคืออารมณนั้นอารมณ์นั้นยังไงก็ต้องวิ่งไว้ก่อนใช่ครับต้องวิ่งไว้ก่อนเออ อีกอย่างคือเราเราถ้าเราคิดดีๆเฮ้ยชั้นนั้นรีโนเวทมันต้องปิดสิถูกมันไม่มีใครี่ถูกต้องพนักงานยังไม่อยู่เลยใช่แล้วเนี้ยมีพระกับมีคนตรงเนี้ยอยู่อ่ะอืออผมผมก็มาคิดกับเพื่อนเนี่ยพี่ว่าเป็นไปได้มาว่าพระรูกกันน่ะคือถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกทางลงน่ะมันมีแค่สองทางคือทางลิฟท์ กระถางบันไดนี้ต์ใช้ไม่ได้อยู่แล้วรถไฟนิรุนแรงไ ม, ไม่ไม่มีการเดินระบบไฟฉะนั้นท่านก็ต้องเดินทางมันเดินเดินลงมาจากบันไดถูกไหมครับอืทีเนี้ยถ้าเดินลงมาจากบันไดอ่ะควรจะต้องสวนกับผ ม, มถ้าเกิดผมจะต้องขึ้นไปหาท่านอีกทีเนี้ยอือแต่นี้ไม่เจอนะอะไรเลเพื่อนก็เลยบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าอันนี้เดากันเ ล, เล่นเลว่าภาพรูปนั้นอาจจะถวัดจิตมาอืมแล้วมานําวิญญาณกลับบ้านคือเขาอาจจะอะไรยังไง อ่าโอเคถ้ามองในแง่มุมเนี้อ่ามีสิทธิ์เป็นไปได้อ่า<ช>โอเคโอเคผมลืมคิดในแง่มุมนี้ไปว่าเออหรือว่าทางญาติเขาอยากจะมีการเชิญวิญญาณของผู้ชายคนเนี้โดยไปหาพระสักรูปหนึ่งบอกว่าให้มาช่วยเชิญวิญญาณแต่การเชิญวิญญาณเอาจริงๆนะผมก็เห็นมาเยอะนะคือพระท่านก็ต้องมาเองถูกปะใช่ใช่ไะญาติต้องมาด<ช>้วยถูก <ๆ S 2> ไหมถูก พาะต้องมามาแบบเป็นตัวเป็นตนเลยแล้วย่าต้องมาด้วยแล้วก็มาทมําพิธีสวดเพื่อที่จะเชิญวิญญาณใ ช, ใช่ใช่ใช อ, อแต่เนี้ยสิ่งที่คุณบอยเห็นว่าผมว่าพระเอาจริงๆพระก็ไม่น่าจะใช่คนไม่น่าใช่ใช่ไหมที่เออไม่น่าใช่มันไม่มีเหตุผลคนใดที่พระจะมาอยู่ในส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลที่เขากําลังปิดเพื่อรีโนเวต อ, อ่ะอืเอออย่าง <laughs> คือการเดินเข้ามาในเนี้ยหูผมว่ามันมันไม่ใช่อะ่ะ ผมว่าคุณบอยและเพื่อนเน่ยเออผมใช้คําว่าคุณบอยและเพื่อนเจอแล้วล่ะเออน่าจะใช่ผมว่าสรุกได้เลยว่าเจอโอ้โหเจอเจอเจอสอสองเด้งเลยใช่ไหมครับก็ใช่อ่ะดีเจอสองเด้งอ่ะดีแต่เหมือนกับว่าพระท่านก็มาดีมาบอกอะไรเนี้ยโอ้แต่ไอ้ท่านไม่มองหน้าเลยนะครับท่านมองแต่พื้นอย่างเดียวอะครับ แต่สิ่งที่กําลังเดินเข้ามาหาเราถ้าตอนนั้นเรายังสงสัยแล้วเรายังอยู่รอเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นไงใช่ใไหมฮะมันจะอะไรมันก็เลยกลายเป็นกิริยาทุกวันนี้ว่าจริงๆแล้วสิงที่ผมเจอกับเพื่อนเนี่ยมันคืออะไรอเพราะก็ยังหาคําตอบไม่ได้ครับผมเคยคิดนะว่าการที่เราจะทํางานกะกลางคืนับแล้วก็มีโอกาสเจอเรื่องราวพวกนี้มากที่สุดเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างผมมองถึงรปภนะฮะ คนขับรถตอนกลางคืนนะครับผมเพิ่งคิดได้ว่าเอออาชีพอย่างคุณบอยเนี่ยก็มีสิทธิ์เจอเรื่องราวเหล่านี้ได้เยอะมากและมีสิทธิ์เจอมากกว่าพวกพี่ๆรอปภหรือว่าคนที่ขับรถยามค่าคืนดิเพราะคุณบอยไปทํางานกันน้อยมากแล้วก็ต้องไปทํางานในตึกที่มันต้องปิดจริงๆอ่ะใช่เาะกมิหือหอไรต่างๆอหมมันต้องไม่มีคนอยู่ในละแวกนั้นแล้วอ่ะคุณต้องอยู่กันแค่นั้นจริงๆอ่ะผมว่าเอออันเนี้ย มีโอกาสเจอค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะฮะอูอ่าได้ครับคุณบอยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณคบอยนะครับแล้วก็มีคนถามมาเยอะครับถามว่าเพจเนี่ยในส่วนของเดอะโกสแฟมิลี่จะเสร็จเมื่อไหร่อืมผมใช้คําว่าเร็วดีดีกว่าเร็วๆนี้นะผมบอกเร็วๆนี้เพราะว่ า, วามันมันมีอีกหลายอย่างที่ผมจะต้องติดปารหรือก้อนอะไรอย่างเงี้ยได้เราะานะมันมีข้อมูลหลายอย่างที่เป็นไม่สามารถทาทํามันขึ้นมาเองกับ อตลีทำขึ้นมาเองได้ได้ครับถ้ามีะอะไรเนี่ยปรึกษาที่พี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มผมได้เลยได้ครับนี่นพี่บัตรเขาให้คําตอบเรื่ทุกสิ่งทุกอย่างคนนี้ <c oughs> น่ารักพี่บัตรน่ารักพี่บัตรน่ารักมากเออนะครับได้ครับคุณบอ ย, ยังไงขอบพระคุณมากๆนะครับ